ข่อติตรัสให้พิจารณาเหล่านี้นับเข้าในวิบากขันวิบากอายตนะคือเป็นขันเป็นอายตนะที่เป็นวิบากคือเป็นผล ของกิเลสกรรมในอดีตซึ่งได้เป็นเหตุโดยเป็นชนะ ก, กรรมชนะกกกิเลส ท, ที่ให้เกิดก่อ เป็นขันเป็นอายจาระอยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันของทุกๆคนส่วนที่เป็นวิบากนี้เป็นอัพยากตารรมาคือเป็นธรรมะที่ ไม่พยากรณ์ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกลางกลางบุคคลอาจอาศัยขันอาจตนะนี้ทำดีก็ได้ ทำชั่วก็ได้ทำดีก็เป็นกุศ ล, ลกรรมทำชั่วก็เป็นอกุศ ล, ลกรรมส่วนตัวขันตัวธาตุส่วนตัวขันตัวอาจตนะเหล่านี้ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศล เป็นกลางๆเป็นเครื่องมือสำหรับที่บุคคลจะทำดีหรือทำชั่วเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณา ให้รู้จักดังนี้เป็นประการแรกซึ่งนับเข้าในข้อธรรมอิจัยเพื่อที่จะได้ไม่ใช้ขันใช้อาจตนะรมชั่วต่างๆแต่ใช้ขันใช้อาจตนะรมดีต่างๆ และก็ให้พิจารณาขันอาจตนะเหล่านี้นั่นเองให้รู้จักทุกจะได้กล่าวในข้อที่จัดสอนให้ยก กายและใจที่สัมพันธ์กันอยู่นี้ขึ้นพิจารณาโดยเป็นอาจิตนะภายในอาจิตนะภายนอกเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาซึ่งเป็นไปอยู่โดยที่ตั้งใจกำหนด ให้รู้จักตากับรูปที่ประจวบกันอยู่ก็เกิดจากขู่วิญญาณรู้ทางตาก็คือเห็นรูปและเมื่ออาจตนาทั้งสองกับวิญญาณ รวมมันเข้าอีกก็เป็นสัมผัสอันเรียกวาจจคุสัมผัสก็สัมผัสถึงใจแรงขึ้นทางตาจึงได้เกิดเวทนาอันเรียกว่าจจคุสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากจากจากคุสัมผัส เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างหัดกำหนดให้รู้จักหูกับเสียงที่ประจบกันก็เกิดโสตะวิญญาณรู้ทางหูคือได้ยินเสียงเมื่อทั้งสามนี้รวมมันเข้าก็เป็นโสตะสัมผัส สัมผัสทางหูก็คือจิตสัมผัสจิตกระทบอารมณ์คือเสียงทางหูก็เกิดเวทนาอันเรียกว่าโสตสัมผัสชาวเวทนาเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสสัมผัสทางหูเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางกลงไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างกำหนดให้รู้จัก จมูกกับกลิ่นที่ประจวบกันก็เกิดคานวิญญาณทราบกลิ่นทางจมูกและเมื่อรวมกันก็เป็นคานสัมผัสกระทบถึงจิตหรือจิตกระทบอารมณ์คือกลิ่นทางจมูกก็เกิดเวทนา อันเรียกว่าคานสัมผัสสชาเวทันธนาที่เกิดจากคานสัมผัสสัมผัสทางจมูกก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างหัดกําหนดให้รู้จักลิ้นกับรสที่ประยุกกันก็เกิดชิวหาวิญญาณทราบรสทางลิ้นเมื่อรวมกันเข้าก็เกิดสัมผัส คือจิตกระทบหรือกระทบจิตด้วยอารมณ์คือรสทางลิ้นก็เกิดเวทนาอันเรียกว่าชิวหาสัมผัสเสชาวเวทนาเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้นเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างหัดกําหนดให้รู้จักกาย และโพตะะที่ประจวกันก็เกิดกายวิญญาณทราบสิ่งกระทบทางกายมารวมกันเข้าก็เกิดกายสัมผัสสัมผัสแห่งจิตหรือจิตสัมผัสอารมณ์คือสิ่งถูกต้องทางกายก็เกิดเวทนา อันเรียกว่ากายสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสสัมผัสทางกายเป็นสุขบ้างเป็นกลางๆางบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างหัดกำหนดให้รู้จักมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวที่ประจบกันก็เกิดมโนวิญญาณ ความรู้หรือความคิดเรื่องทางมโนคือใจเมื่อรวมกันเข้ากับสัมผัสสัมผัสทางใจคือสัมผัสแห่งจิตซึ่งอารมณ์คือเรื่องราวที่คิดหรือรู้ทางใจก็เกิดเวทนาอันเรียกว่ามโนสัมผัสชาวเวทนา เวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสสัมผัสทางใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างกำหนดให้รู้จักอาจตนะภายในภายนอกที่ประจวบกันเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสและเป็นเวทนาดังนี้นี้เป็นสิ่งทั้งหมด ของกายและใจอันนี้ที่เป็นไปอยู่อันพึงกาหนดพิจารณาให้รู้จักกสตินั่นเองเป็นเครื่องกาหนดให้รู้จักให้รู้จักอายตนะภายในภายนอกที่ประจบกันเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาที่เป็นไปอยู่ ที่วัทั้งหมดนั่นก็คือว่าทุกๆคนก็มีอยู่เท่านี้ไม่นอกไปจากนี้เหมือนกันหมดแตกต่างกันแต่เรื่องราวของรูปเสียงเป็นต้นที่เป็นไปต่างๆกันเท่านั้นแต่ว่ารวมเข้าแล้วก็คงรวมเข้าในอาจตนะภายในภายนอก วิญญาณสัมผัสเวทนาทุกคนก็เป็นไปอยู่ดังนี้ในการที่จะปฏิบัติให้ได้ปัญญารู้อริยสัจนั้นเบื้องต้นจะต้องหัดกำหนดให้รู้จักสิ่งทั้งปวงของตนดังนี้ก่อน และเมื่อได้ตั้งสติกำหนดให้รู้จักสิ่งทั้งปวงของตนดังนี้แล้วก็กำหนดพิจารณาว่าสิ่งทั้งปวงเหล่านี้มีชาติคือความเกิดเป็นธรรมดามีชาราคือความแก่เป็นธรรมดา มีพยาธิคือความป่วยไข้เป็นธรรมดามีมรณะคือความตายเป็นธรรมดามีโศกความแห้งใจไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองไม่ผ่องใสเป็นธรรมดา มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาตั้งใจกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เห็นธรรมดา ดังนี้และเมื่อเห็นธรรมดาดังนี้ก็จะทำให้ได้ปัญญาเห็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ขึ้นโดยลำดับอีกในหนึ่งตรัสสอนให้พิจารณาสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ว่าเป็นอนิจจคือไม่เที่ยง ต้องเกิดต้องดับเป็นทุกขะคือเป็นทุกขคือต้องแปรปรนเปลี่ยนแปลงไปไม่ตั้งอยู่คงที่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ เป็นข้อที่พึงรู้ยิ่งก็คือให้รู้จักความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาดังกลา่าวเป็นข้อที่พึงกําหนดรู้คือกําหนดให้รู้จักความจริงดั ง, ดงนี้ เป็นข้อที่พึงละคือละความติดความยึดถือความลิ้นดนทยานอยากเป็นข้อที่พึงกำหนดรู้เพราะความรู้ยิ่ง เป็นข้อที่พึงกำหนดให้รู้จักว่าเป็นตัวความวุ่นวายเป็นตัวความขัดข้องต่างๆและเมื่อหัดกำหนดไปดังนี้ ก็จะทำให้ในปัญญาเห็นทุกขจัจจจสภาพที่จริงคือทุกข์ขึ้นโดยลำดับและก็จะทำให้ได้ความรู้ก้าวถึง9 9ก้าวขึ้นไปสู่ทุกขสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ต่อไปด้วยต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป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 เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงสั่งสอนก็เพื่อให้พ้นทุกข์ตั้งต้นแต่ให้พ้นจากทุกข์ในโลก เช่นภัยเวณต่างๆตงลอดจนถึงความเป็นภูไม่มีนี่สิณเป็นต้นด้วยทรงสั่งสอน ให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรเราเรียนศึกษาประกอบอาชีพการงานเพื่อให้ได้ทรัพย์มาเป็นเครื่องทนุบำรุงชีวิต ให้มีความผาสุกให้ถึงพร้อมในการรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ตลอดจนที่ประกอบกระทมให้ตั้งมั่นเป็นสมบัติคือเป็นความถึงพร้อม ให้คบเพื่อนมิตรที่ดีงามและให้ใช้จ่ายตามกำลังแห่งทุนทรัพย์ที่หามาได้มิให้เบียดกรนักมิให้ภูมิฝ่ายนักเป็นอันว่าได้พ้นจากความทุก อันเกิดจากความไม่มีทรัพย์ที่ควรจะมีไม่ขัดข้องในการที่จะบริโภคใช้สอยไม่ประกอบการงานที่มีโทษ ไม่มีนิสินก็เป็นอันว่าได้ประสบความสุขในโลกปัจจุบันและทรงสั่งสอนให้พ้นจากความทุกข์ในอบาย คือในพบหรือในภาวะไม่เจริญที่ตกต่ำประกอบด้วยทุกข์ทั้งในปัจจุบันทั้งในภายหน้าด้วยทรงสั่งสอนให้พร้อมให้ถึงพร้อมในศรัทธา ความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อประกอบด้วยปัญญาพิจารณาไม่เชื่องมงายโดยตรงก็คือเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันรวมถึงเชื่อในคำสั่งสอนของพระองค์ จึงเชื่อในกรรมเชื่อในวิบากคือผลของกรรมและเชื่อในความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนทรงสั่งสอนให้ประกอบด้วยศีลเว้นจากความประพฤติที่เป็นภัยเป็นเวรทั้งหลายทรงสั่งสอนให้ถึงพร้อม ด้วยจาคะคือการสละบริจาคช่วยเหลือเกื้อกูลทรงถึงสั่งสอนให้ถึงพร้อมในปัญญาคือความรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มีใช่ประโยชน์เมื่อปฏิบัติดังนี้ก็ทำให้ บรรลุถึงความเจริญทางกายทางวาจาทางใจไม่ตกตำ่ำไม่เป็นทุกข์เพราะภัยเวรบาปอกุศลต่างๆ จึงมีความสุขทั้งในปัจจุบันและสืบต่อไปในภายหน้าทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกอื่นอันนึ่งทรงสั่งสอนให้พ้นจากวัฏฏะทุกทุกคือความเวียนว่าย ตายเกิดดังที่ได้ตรัสแสดงถึงทุกขจัตเจสภาพที่จริงคือทุกข์ตั้งต้นแต่ทุกข์คือชาติความเกิดทุกข์คือชราความแก่ทุกข์คือมรณะความตาย อันเป็นสภาวะทุกๆตามสภาพตลอดจนถึงทุกทางจิตใจซึ่งทุกทั้งปวงนี้ก็เกิดอยากตัณหาคือความริ้นรนทยานอยากไปต่างๆ การปฏิบัติเพื่อให้พ้นวัดก็เป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติธรรมะจะพึงปฏิบัติตั้งแต่ในเบื้องตน้นแม้ว่าจะยัง ต้องการดำรงชีวิตอยู่ในโลกก็ควรต้องปฏิบัติในทางดับวัตถทุกข์ด้วยจึงจะพบความสุขของจิตใจอย่างแท้จริง แม้ว่าจะยังดับตัวทุกขสมุทัยคือตัณหามิได้ก็สามารถที่จะเป็นนายของตัณหาได้ไม่เป็นทาตของตัณหาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตัณหาดาโซเป็นทาตของตัณหา หรือตัญหาธาสีเป็นทาตของตัญหาบุคคลที่เป็นทาตของตัญหานั้นย่อมมีความทุกข์อย่างยิ่งเพราะจะถูกตัญหาคือความดิ้นรนทยานอยากในจิตใจของตนเอง มาบังคับขับไสให้ประกอบกรรมอาาเพื่อสนองตัญหาคือความดิ้นรนทยานอยากเมื่อเป็นดังนี้จึงไม่อาจที่จะละบาปอากุศลทุจริต ประกอบบุญกุศลสุจริตต่างๆได้อย่างตามสมควรหรือว่าได้อย่างมากเพราะการปฏิบัติที่จะสนองตัญหาคือความดิ้นรนที่ยานอยากนั้นแต่เป็นตัญหาอย่างแรง อันแสดงออกมาเป็นโลภโกรดหลงอย่างแรงก็จะต้องฆ่าเขาบ้างละของเขาบ้างประพฤติผิดในกาบบ้างพูดเท็ดหลอกลวงเขาบ้างตลอดจนถึงดื่มสุรายาเมาอันเป็นฐานที่ตั้งของความประมาทต่างๆ จึงเป็นเหตุทำลายความสุขที่จะพึงได้ทั้งในปัจจุบันและทั้งในภายหน้าไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกในปัจจุบันไม่สามารถที่จะพ้นจากอบายทุกได้เพราะฉะนั้น คนเป็นจึงยังต้องประสบความทุกข์ต่างๆในปัจจุบันและในภายหน้ากันอยู่เป็นอันมากคนที่จะประสบความสุขก็ไม่สามารถที่จะประสบความสุขได้แม้ว่า จะมีเครื่องแวดล้อมอันน่าจะทําให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นประกอบได้ลาบยศส่วนเสริญสุขต่างๆอยู่ในปัจจุบันควรที่จะเสวยลาบยศส่วนเสริญสุขในปัจจุบันนี้ให้ชีวิตมีความสุขแต่เมื่อเป็นธาตุของตัญหาแล้ว ก็จะไม่ได้รับความสุขจากลาบยศสนเสริญสุขนั้นและกลับที่จะใช้ลาบยศสนเสริญสุขนั้นไปประกอบกรรมที่ชั่วต่างๆเพื่อสนองตัญหาคือความเร้นรนทยานยาก